ดตาปริโยธพปนานังการชำละจิตของตนให้ข่าวรอบเอตังพุทธานาศาสนาสามสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันดีประมังดามโพดีติคาอันที่คือความหมดกนัน เป็นธรรมเครื่องเผาเลิอย่างยิง่งนิพพานังบารมังบารันทิพุทธาผู้รู้ทั้งหลายเก่าน่าเป็นธรรมอันยิ่งนั่นิปะอิโตบารุอาคาตีผู้กําจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าหันพระชิดเลย อามโนโติพรังวิเหทยันโวผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาตโตอนุปคาโทนี่การไม่ทำไราบาติโมเขจะสังวรโรการสำรวมในพระปาโม มาตรฐาจะอาศัยมิ่งเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันญจะศยนาสนาการใ น, นที่ันที่อนสงาดอาทิจิตเจยอายโยโคมันประกอบในการทางจิตใจยิงเออังพุทธนศาสนาง ทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระอริยญาทั้งหลาย อเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิปิสังเมื่อเราอย่างไม่พบญาณได้แลนทองสงสารเป็นอเนกชาติคาหา ก, การังขเวสันโดดูขาชาติปูณผู้นางสแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างบุเรือนดูดันหาที่สร้างพบ ให้เกิดขาวเป็นเป็นธุรบัยอาการกาติโทสีปูนับเขนักกาหาสีนี่แน่ใ น, ในช่างบุเรือนเอาชู้จากเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปซาพาเตพาสุกาคหะ หากูดังวิสังขารดังหมดเรา เ, า, เาเอาหากเสียแลว้วการเราก็รู้เสียแลว้วอีสังขารคดาดังจิตดังดันหานังขายะมชัชฌาคาของเราถึงแล้วสึ่งสภาพที่อะไรแต่ไม่ได้ต่อไป ให้ถึงแล้วซื้อความสิ้อไปหอันธธาลิภิเวมันแต่ยามิโวดูอุได้บบบนี้เราขอเรือนทั้งหลายว่าวะยะธรรมะอัคคายทั้งค่ายมีความเสื่อมไปให้เป็นธรรมดา อาบามาเท า, าเทธาทั้งหลายอาคัมภิรมาห้ถึงอะเยายังตถ า, าคตสัพพิมาวาจานี้เป็นภาวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระธาโคตเจ้าทำความสงบสักพักตั้งจิต